เเช้านี้ได้พูดเรื่องมาคบูชาตามที่ได้กล่าวคำบูชาเมื่อสักครู่นี้ธรรมดาแล้วก็จะไม่ซ้ำในคำนี้อันนี้มีหลายท่านหลายคณะมารวมกันจึงจะมีการซ้ำบ้างเล็กน้อยวันนี้เป็นวันที่เราทั้งหลายระลึก ถ, ถึงความประเสริฐ พระพุทธเจ้าเป็นผู้พระเสด็จพระธรรมเป็นธรรมชาติที่พระเสด็จพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าแตล่ละองค์ละองค์นั้นซึ่งคล้ายวันเช่นนี้นั่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์ด้วนแล้วแต่เป็นองค์พระเสด็จหาที่ต้องติไม่ได้ <c oughs> ใจของเราได้ท่วมเทลงไปสิ่งธรรมะหรือธรรมชาติที่พระเสดิจวันนี้ นับมาเป็นสิรมงคลแก่จิตใจของเราอย่างยิ่งการทำปาทักษิณสามรอบคือทำความเคารพต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีองค์พระประธานเป็นสักขีพยานคือองค์แทนแห่งศาสดาในครั้งพุทธการท่านถือการเดินทำปาทักษิณสามรอบเป็นความเคารพ ถือการยืนเป็นการเคารพเพราะฉะนั้นเวลายืนอยู่ถ้ายืนอยู่ท่วมญาติโยมนั่งอยู่จึงห้ามไม่ให้แสดงธรรมถ้ายืนต้องยืนด้วยกันนั่งต้องนั่งด้วยกันอันนะ็นว่าอย่างนั้นการทำทักริงสามรอบบางท่านจะไม่เข้าใจคือแสดงจิริยาความเคารพ <c oughs> ด้วยการทำทักริงสามรอบ นี่คือความเคารพเป็นอาการหนึ่งความเคารพอาการหนึ่งซึ่งแสดงในวันเช่นนี้เพื่อกันทั้งหลายได้ทราบเอาไว้พระที่ท่านเราทั้งหลายได้เลือกถึงท่านนี้เป็นพระที่ประเสริฐประเสริฐกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในสามโลกธาตุนี้ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนผู้ที่์ก้าวเขาถึงทำอันประเสริฐจึงเรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐ จิตใจเป็นผู้เขา้าจิตใจเป็นธรรมชาติที่เข้าถึงทาได้โดยสมบูรณ์ทำอันประเสริฐนั้นย่อมปรากฏที่ดวงใจใจกับทมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาท่านป ร, ริพานแล้วจึงไม่อาจจะพูดได้ว่าท่านจิตทันท่า น, า น, า น, า น, านบริสุทธิ์หรือว่าพูดพูดได้ว่าจิตพราะผ่านจากสมมติไปแล้วสมมติคือธาตุขันธ์ได้แก่สกุลกาย เมื่อมีสกลกายอันเป็นสมมติที่อาศัยกันอยู่กับจิตที่เป็นนิมมุติถูกพ้นไปแล้วนั้นจิงเรียกว่าจิตบริสุทธิ์เรียกได้ว่าจิตบริสุทธิ์เรียกท่านว่าเป็นพระหรหันพอได้ผ่านจากขันนี้ไปหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีสมมุติใดเข้าเจือปนในจิตดวงนั้นแล้วจิตดวงนั้นเป็นธรรมทั้งแท่งเป็นธรรมทั้งดวง ยังไม่เรียกว่าจิตอกและคําว่าปริพันธ์นั้นหมายถึงว่า เ, าเรื่องสมมุตินั้นได้ดับสนิทไปหมดแล้วไม่มีชิ้นต่อกันเลยไม่เหมือนท่านที่ยังครองขันอยู่ทั้งที่จิตบริสุทธิ์ <c oughs> ขันนี่เป็นธรรมชาติที่สมมุติจึงไม่เรียกว่าบริสุทธิ์พอผ่านไปแล้วก็เรียกว่าปริิพานดับรอบหมดแล้วที่นี่คุณยังไง แต่ก่อนดับเฉพาะกิเลสภายในจิตใจพอธาตุขันไดผ่านออกไปสลายลงไปสู่สภาพเดิมของตนแล้วนั่นเรียกว่าปริผานคือดับหมดกิเลสก็เป็นอันว่าดับไปแล้วตั้งแต่ขณะปรารถุและขณะบรรลุธรรมถึงขั้นสุดยอดแห่งธรรมและวาระสุดท้ายขันก็เป็นอันว่าดับผ่านไปแล้วจากจิตดวงนั้นหมดความรับผิดชอบกัน สภาพของขันกับธาตุสิ่ดินน้ำลมไฟเป็นสำคัญที่มองเห็นได้ชัดสลายตัวลงไปสู่สภาพเดิมของเขาส่วนจิตที่บริสุทธิ์นั้นทานออกไปทีนี้ไม่เรียกว่าจิตได้อีกแล้วธรรมชาตินี่แหละที่เรียกไม่ได้นี้แหละที่เราทั้งหลายได้กราบระลึกอยู่ทุกวันนี้ว่าพุทธธรรมังคช า, า, ามคือธรรมชาตินี้ ทำมังสนังขจามิสังคังสนังขจามินี่เราพูดตามอาการสามอย่างเมื่อได้เข้าถึงความมริสุดเต็มที่แล้วกรมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นอาการเข้าสู่ธรรมดวงเดียวแต่ยังไงก็ตามเมื่อโลกสมมุติยังมีอยู่ธาตุการของเรายัางมีอยู่ต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งที่ระลึกนั้นนั่นแลเป็นธรรมชาติที่ประเสริฐมีอยู่ ตลอดการเวลาไม่ได้สูญสิ้นไปไหน <c oughs> วันที่ท่านประธานพระอาวาตปาติมโมกนั้นเรียกว่าวิสุ ธ, ธิอุโบสถคือประทานพระอาวาตแจก พระหันหนึ่งพันสองร้อยห้าสิองค์ซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ล้วนๆจึงเรียกว่าวิสุทธิอุโบสถแสดงแก่ท่านผู้บริสุทธิ์ในเนื้อความแห่งพระโอวาทที่แสดงนั้นท่านแสดงไว้ว่าสปั ป, ปาปภสษอาอการนังการไม่ทำความชั่วทั้งปวงกุจะสู้ประสึมประดาการยังความฉลาดให้ถึงพร้อมหนึ่ง จิตะประโยชน์ปัญังการทําจิตของตนให้ผ่องใสจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์หนึ่งเจตังพุท ธ, ธานส า, าสนังนี้คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายสอนเป็นแบบเดียวกันอย่างนี้จากนั้นท่านก็บรรดายออกไปขยายความออกไปว่าอนุปวาโดอย่าไปกล่าวลายคนอื่นอนุพคาโตอย่าทาความเหยียดเบียนและทําลายผู้อื่นปาติโมเคจะสร้างมารให้สังรวมอยู่ในหลักพระวินยัย เรียบร้อยเป็นที่สวยงามสำหรับเพศของพระมะตตัญูตาจะผัสตัดสมิงมีที่นั่งที่นอนที่พักผ่อนเพื่อการบำเพนะ็ญสมณะทมเป็นที่สงบสงัดงบเงียบปัญจจะเสยนาสนังอธิกิเตจะอาโยโว การทำกิตของตนให้ยิ่งขึ้นไปเดิมดับจนกระทั่งสุดขีแห่งความยิ่งถึงขั้นแห่งความประเสริของจิตเอตังพุทธานศสาสนังนี่ก็เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธทเจ้าแต่รับพระองค์พระองค์เส้นเดียวกันนะเกี่กมัตตันยูตาจัพัตตัสมิงในบทหนึ่งความรู้จักประมาณในการขบการใช้การฉัน ก, การใช้สอยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้ลืมเนื้อลืมตัว ปัจจัยทั้งสี่เป็นเครื่องอาศัยเป็นเครื่องสนับสนุนสำหรับนัก บ, บวชผู้บวชมาในศาสน า, ศ า, ศาขันห้านี้เป็นเหมือนโลกทั่ ว, วไปออกมาแล้วจะมีที่อยู่ที่พักที่อาศัยมีเครื่องนุ่งห่มใช้สอยเป็นธรรมดาเช่นเดียวกับโลกเป็นแต่เพียงว่าต่างกันเกี่ยวกับเรื่องเพศเรื่องหลักธรรมหลักวินัยเท่านั้นส่วนใหญ่เหมือนกันเข็มกวรก็หมายถึงผ้านุ่งผ้าห่ามเนี่ยสบงสังคาติ เป็นคณรวาเก็เรียกว่าเครื่องนุ่งห่มเป็นพระเขเรียกว่าเครื่องนุ่งห่มเหมือนกันแต่แยกไปเป็นจีวรเป็นสบงเป็นสังคาติสรุปความลงแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยเครื่องอาศัยของสมณะเพื่อบำเพ็ญหรือเพื่ออยู่ด้วยความสะดวกสบายและเพื่อบำเพ็ญตนด้วยความราบรื่นไม่ขัดขอ้องยุ่งเยิงวุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้ว่าไม่มีบินฑมาตได้จากการขบการฉัน มัตันยุตาจะผัดตัดมิ่งให้รู้จับประมาณในการขรบการฉัน <c oughs> นี่อยู่ในโอวาสปาิโมกที่ท่านแสดงแกให้เป็นวิสุทธิอุโบสถแกท่อาอรหันทันสองร้อห้าสิบองค์วันนี้ได้ยกธรรมเหล่านี้ออกมาแสดงให้ท่านถึงเป็นนักบวชทั้งหลายฟังตลอดถึงประชาชนซึ่งจะต้องเป็นผู้มีขอบมีเขต มีความพอดิบพอดีเช่นเดียวกับพระต่างกันแต่เพียงว่าแนวแนวทางสูงต่ำหยาดละเอียดเท่านั้นนอกนั้นเหมือนเหมือนกันการใช้สอการนุ่งห่มใช้สอยก็ไม่ฟุ่มเฟือจนกลายเป็นความฟุ่งเฟ้อโก้เกะเกินเหตุเกินผลเกินเนื้อเกินตัวก็สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะทําลายตัวเอง ท, ทําไมจึงมาทํามาทําลายตัวเอง เพราะทุกสิ่งทุกอย่างต้องหามาด้วยทรัพย์สมบัติเงินทองไม่ใช่จะเกิดมีขึ้นมาเอาเฉยๆตามความต้องการต้องเลยแลกเปลี่ยนกันมา เ, าเงินไปซื้อเป็นต้นมือผมใช้สอยให้พอเหมาะพอสมกับตนความสุขก็มีขึ้นถ้าเลยจากความพอดีแล้วไม่ว่าอะไรเป็นความยุ่งเหยิงวุ่นวายนำความทุกข์มาให้ทางนั้นการขบการฉันการรับทานบิณธบาตดึก โคชนมตัญูตาก็ให้รู้จักประมาณในการบริโภคขบถันหรือรับทานเลยเหตุเลยผลเลยความพอดีไปแล้วก็ทำความสิ้นเปลืองและางนี้ความเสียแจ่เจ้าของเป็นนิสัยเมื่ออะไรก็ตามถ้ากลายเป็นนิสัยแล้วย่อมจะแก้ได้ยากท่านจึงสอนให้รู้จักประมาณเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพระเรา มัตตันยูตาจะผัสตัดทั้งนี้มีหลายบทหลายบาทมีหลายแห่งหลายหนมากทีเดียวพระพุทธเจ้าทรงย่ำแล้วย่ำเรากลวัวพระจะลืมตัวกลัวว่าลิ้นจะแซงทำปากท้องจะแซงอัดแซงทำไปเสียไปที่ไหนก็มีแต่ลิ้นออกข้างหน้าแซงหน้าไปเสียท้องแซงหน้าไปเสียปากแซงอัดแซงทำไปเสียทําเลยโผล่ขึ้นมาได้เกิดขึ้นไม่ได้เพราะความเห็นแก่ปากแก่ท้องแก่ลิ้นท่านจึงสอนไว้อย่างนั้น ทำเหล่านี้ไม่ใช่เป็นธรรมเล็กน้อยเป็นธรรมสาคัญมากการปฏิบัติต้องและสังเกตต่อดู้ตนอยู่เสมอผู้ต้องการความเจริญรุ่งเรืองด้วยธรรมไม่ต้องการความเจริญด้วยปัจจัยสี่พระพุทธเจา้าไม่ทรงสอนให้มีความเสาะแสวงหาสิ่งเหล่านี้เลยขอบเขตของสมณะและไม่ให้ใช้สอยหรือขบฉันให้เลยขอบเขตของสมณะที่จะเป็นการทําลายอัตธรรมซึ่งควรจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วให้เสื่อม ศูนย์อันธราทานหายไปเพราะสิ่งเหล่านี้เหยียบย่ทำทํำลายท่านจึงสอนแล้วสอนเน่าอยู่เสมอเ <c oughs> สนาสนะคือที่อยู่ที่อาศัยทนวปัดปันตัญจาศยนาสนะที่นอนที่นั่งอันสงบสงัดน่ะฟังดูที่ไหนเป็นที่สงัดตั้งแต่วันบวชมาทีแรกพระพุทธเจ้าขอประทานพระโอวาทให้เรียบร้อยแล้วจนกระทั่งถึงอุปชายะทุกวันนี้ โดยกอบุตรสุดท้ายภายหลังจะต้องบอกอนุสาททั้งมิสัยสีนี้ให้เว้นไม่ได้อุปชาญะองค์ใดเว้นเป็นต้องตรดจากความเป็นอุปชายะทันทีเพราะทาให้ขาดจินตจำเป็นเกิดความเป็นพระหน้าที่ของพระไปะลุคโมรเซนาสนังนนส่ายปปชาตัทธเตยยาวชีวังอุซาโหการณายกนะ บรรดาชาปสมบติแล้วให้สั่นทั้งหลายไปเที่ยวเสาะแส้แ ห, หาอยู่ตามลุกขมูลล่มไม้ชายป่าชายเขาตามถ้าเงื้อมผาตาโลกชัดอันเป็นฐานที่สงบสงัดสะดวกสบายแก่การบําเพ็ญชนะธรรมปราชาจารึกทุกข้านก่อควรต่างๆให้พยายามทําอย่างนี้ตลอดชีนี้เถิดนี่คือโอวาทสําคัญที่อุปชายะทุกทุกองบวชคุณรุตรุด้ายภายหลังแล้วบวชคุณบุตรเสร็จแล้วต้องได้ให้โอวาทข้อนี้ นงานของพระที่จะเป็นไปเพื่อความวิเศษสักจิตภาณจิตใจของตนคืออะไรก็คือกรรมฐานเวลานั้นเป็นระยะที่สั้นมากท่านจึงสอนงานมอบงานให้เพียงสั้นๆว่าเกษารลมานขาทันตาตะโจเพียงเท่านี้ซะก่อนนี่หมายถึงอะไรเกษาโลมานขาทันตาตะโจนี่หมายถึงผมขนและฟันหนังนหนัง ให้เอานี้ไปพิจารณาขี้คลายดูตามหลักความจริงของมันในสถานที่ที่เป็นทีส่สงัดงเงียบอันเป็นความสะดวกแก่การพิจารณาขี้คายงานเหล่านี้ให้รู้แจ้งแทงทะลุไปตลอดถึงอาการสารสองภายในร่างกายของตนทั้งข้างนอกข้างในอชัตตาวาพยะหิทธาวาเทียบสัตว์ให้ได้ทุกสัตว์ทุกส่วนโดยความเป็นจริงทุกขงังอนัตตาปฏิกูลโสโคเต็มไปหมดในร่างกายของสัตว์ของบุคคลแต่ละสัตว์แต่ละบุคคลนี้ไม่มีใครยิ่งย่อนกว่าใคร เต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้มีหละคืองานให้ท่านพิจารณาทำสอนอย่างนี้ให้รู้แจ้งแทงทะลุกิจมันเข้าแทรกเข้าแซงเข้าสิงอ่าสิ่งที่อะเป็นกิเลสนั่นะมันเข้าแทรกคือมันลบล้างความจริงของธรรมไปโดยลำดับขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วตั้งลบล้างของกิงทั้งนั้นเพราะกิเลสเป็นตัวจอมปลอมทำเป็นจอมแข่งความจริงเฮ้ยจริงเที่ยวปักปันเศษแดนเอาไว้หมด สิ่งนี้สวยสิ่งนั้นงามสิ่งนี้เป็นนิจจังความเที่ยงสิ่งนี้เป็นสุขขังความสุขสิ่งนี้เป็นอัตตาเป็นเราเป็นของเราจะเป็นจะตาอยู่ไม่กับว่าเราว่าของเราอยู่ตลอดไปนี่เรื่องเรื่องของกิเลกต้องขัดความต่อทำอย่างนี้ที่ท่านพิจารณาลงตามความจริงความจริงเป็นอย่างใรทำท่านสอนให้เป็นอย่างนั้นเช่นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงนั้ร่างกายของเราทุกส่วนหาความเที่ยงแท้ถาวลไม่มี มีแต่ความแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาจนถึงวาระสุดท้ายสลายลงไปสู่ความจริงของต้นทุกครั้งก็ได<ม>้ยินแต่ทุกขั้งเราเราไม่เคยได้ขังทุกข์เอาไว้<ม>เพราะเราไม่ทราบความจริงถ้าเราทราบความจริงแล้วทุกจะมาขังเราไม่ได้<ม>ดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายไม่มีทุกตัวใดที่จะไปขังจิตขังใจของท่านให้เป็นนักโทษเหมือนอย่างแต่ก่อนเลยท่านดูเหนือทุกทั้งมวล ดังที่ท่านอาจารย์มั่นเคยพูดให้ฟังและได้เขียนไว้ในประวัติของท่านว่าพระอรหันต์บางองค์ท่านยืนนิพานบ้างนั่งนิพานบ้างเดินนิพานบ้างนอนนิพานบ้างทำไมท่านจึงทำผิดแปลกจากมนุษย์ทั่วๆไปในโลกกฐานนี้เราก็เพราะความรู้ความเห็น ความสัตย์ความจริงที่มีอยู่ในใจของท่านไม่ได้เหมือนกับโลกทั่ ว, วไปเพราะฉะนั้นท่านจริงไม่ได้ทำเหมือนโลกทั่ ว, วไปทุกเวทนาในธาตุในขันนี้เป็นสักแต่ว่าสมมุติอันหนึ่งเท่านั้นเช่นอย่างรูปังคือกองรูปนี่ก็เป็นสมมุติอันหนึ่งเวทนาสุขทุกเฉเฉ ย, เฉยนี่ก็เป็นอาการอันหนึ่งของขันแต่ละล ะ, ละอย่างละอย่าง สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของสมุทหทั้งหมดแต่จิตของท่านได้ดูดพ้นแล้วจากความจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ถึงขั้นมีหมดจิตจึงเหนือสิ่งเหล่านี้ทุกภายในร่างกายวาระสุดท้ายจะเป็นขนาดไหนก็ไม่สามารถจะทำจิตใจของท่านให้กระทบกระเทือนให้หวันให้ไวเอเอียงไปได้เลยด้วยเหตุนี้ท่านจึงสามารถ ปริพานตามท่าที่ตนถนัดในวาระสุดท่าได้ตามความสะดวกสบายของท่านโดยไม่มีเวทนาตัวใดที่จะสามารถเข้าไปเหยียบย่ำทาลายจิตใจของท่านให้เอียงๆไปได้เหมือนอย่างสามัญช น, ท, นทั่วไปเลยด้วยเหตุนี้ท่านจึงปรินิพานได้ในท่าต่างๆ ต, ตามปัตยายสายของท่านยืนนิพานบ้างเดินนิพานบ้างนั่งนิพานบ้างนอนนิพานบ้างด้วยความเป็นอิสระเสรีพายในจิตใจ เพราะท่านไม่มีเวทนาคำว่าเวทนานี้หมายถึงเวทนาภายนจิตเวทนาในร่างกายนี้ไมีท่านรับทราบเพราะท่านรู้ท่านจะไม่รับทราบยังไงตั้งแต่เรามีกิเลสอยู่ในภายในจิตใจเรายังทราบว่าเจ็บตรงไหนในส่วนร่างกายเจ็บท้องปวดที่สะเรายังทราบทําไมท่านจะไม่ทราบแต่ความทราบของเรากับความทราบของท่านมันต่างกันความทราบของเราทราบไปตามสภาพ ของมานเฉยๆไม่ได้ทราบอย่างทราบแบบอย่างทราบด้วยความรู้จริงเห็นจริงเหมือนพระพิณสกท่าน <c oughs> จึงต้องยึดต้องถือจึงต้องเกิดความทุกข์ภายในจิตใจขึ้นมาอีกตอนึงเวลาร่างกายไม่สมประกอบหรือมีความทุกข์ความลบาบากขึ้นในอวัยวะส่วนใดใจเลยกลายเป็นโรคกังวลโรควุ่นวายโรคเสียอกเสียใจยขึ้นมาได้แต่พระพิณสกท่านไม่มี เพียงแต่รับทราบทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นภายในขันเท่านั้นขันก็เป็นขันจิตเป็นจิตจะไปแทรกสิงกันได้อย่างไรเมื่อต่างอันต่างสิงแล้วไม่กระทบกันขันแสดงตัวจนวาระสุดท้ายคือทุกขเวทนาแสดงตัวก็แสดงตัวอยู่ในวงขันนี้ไม่ได้สามารถแสดงตัวในวงจิตของท่านได้นี่แหละที่เรียกว่าพระอรหันต์ท่านไม่มีเวทนามีเวทนาอยู่ภายในขันนี้เท่านั้นไม่ได้มีอยู่ภายในจิตใจของพระอรหันต์เมื่อเป็นเช่นนั้นท่านจะ ไม่ปริพันธ์ในท่าต่างๆได้ตามความต้องการของท่านหรือตามปรัชญาใจขท่านได้อย่างไรผิดกับพวกเราอย่างนี้คําว่าเวทนานี่เป็นสมมุติจะเป็นสุขเวทนาก็ตามทุกขเวทนาก็ตามอุปเบกขาเวทนาก็ตามจะมีได้ภายในร่างกายเกิดขึ้นภายในกายสุขเกิดขึ้นภายในกายทุกเกิดขึ้นภายในกายเฉยๆเกิดขึ้นภายในกายนี้เท่านั้นไม่สามารถที่จะไปเกิดภายในจิตของพระรานได้เลย ข้อจิตนั้นเป็นวิสุทธิจิตแล้วท่านจึงไม่มีเวทนาใดที่จะมาเสวยไม่มีเวทนาใดที่จะมาเหยียบย่ทำทําลายจิตใ จ, ใจของท่านนอกจากสุขในหลักธรรมชาติดังที่ท่านว่านิพพานังปรามังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งสุขในนิพพานหรือสุ ข, ขของท่านผู้บริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์นั้นไม่ใช่สุขเวทนาเป็นสุขของวิมุตติจิตเหนือจากสมมตินี้ไปแล้ว อยู่เหนือสมมตินี่แล้วสุขนั้นจึงไม่มีคำว่าอนิจจงเวทนาอนิจจาอย่างนี้ไม่มีจะสุขก็เป็นอนิจจาทุกก็เป็นอนิจจาผู้เปียกขาเฉยๆก็เป็นอนิจจาหรืออนิจจงถ้าเป็นเมตนาแล้วต้องมีอนิจจงที่เป็นคู่เคียงอยู่สเสมอแต่ สุขของพระอรหันต์สุขของวิสุทธิจิตนั้นไม่ใช่เวทนาจึงไม่มีในจังทุกขังตาเข้าไปแทรกได้เลยนี่ผิดกับสุขทั้งหลายของโลกสุขทั้งหลายในวงสมมุติท่านทีนี้ว่านิพพานนางปรามังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งสุขนั้นเป็นสุขในหลักธรรมชาติของความบริสุทธิ์เป็นสุขธรรมชาติไม่ใช่สุขเสด็จสรรปั้นยอขึ้นมาเกิดแล้วต้องดับดับแล้วเกิดอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้น มีหลักิตของพระอรหันต์มีความต่างกันอย่างนี้เราทราบเอาไว้การที่ทราบนี้จากการได้ยินได้ฟังนี้ไม่ได้เป็นความแน่ใจยังต้องมีความสงสัยอยู่เก็นธรรมดาเพื่อจะทราบตามหลักความจริงในสิ่งที่เป็นจริงนั้นต้องทราบด้วยภาคปฏิบัติพระพุทธเจ้าได้ทำมาสั่งสอนโลกก็ได้จากภาคปฏิบัติ ได้เป็นาศาสดาเอกของโลกขึ้นมาก็ได้จากภาคปฏิบัติคือการประพฤติปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาผลก็เกิดขึ้นมาเป็นาศาสดาของโลกถ้าสาวกทั้งหลายท่านก็ประพฤติปฏิบัติเป็นอรหันต์ขึ้นมาด้วยภาคปฏิบัติมาได้เป็นขึ้นมาด้วยภาคสจดจำเฉยๆความจำเป็นความจำความจริงเป็นความจริงเรานำความจำที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาไปประพฤติปฏิบัติ ตามที่เราเข้าเข้าใจจากการเรียนนั้นแล้วกลายเป็นภาคปฏิบัติขึ้นมาเมื่อปฏิบัติตามที่เรียนมาแล้วผลคือปฏิเวทะความรู้แจ้งเห็นจริงย่อมรู้แจ้งเห็นจริงไปโดยลําดับลําดับจนกระทั่งรู้แจ้งแทงทะนั่นเป็นความจริงขึ้นมาโดยลำดําดับจนกระทั่งถึงเป็นความจริงเต็มส่วนท่านาจิตใจเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วจะไม่ถามในสิ่งที่กล่าวมานี้เช่นอย่างพระอรหันต์ท่านไม่มีเวทนาอย่างนี้ จะปรากฏในจิตของเราเสียเองจิตของพระพุทธเจ้ากับจิตของเรานั้นไม่มีอะไรผิดแตกกันเมื่อเข้าถึงความจริงเต็มสัดเต็มส่วนเหมือนกันแล้วไม่มีอะไรจะสงสัยกันดังที่กล่าวว่าเวทนานของพระทหารไม่มีเ ว, เวทนานในจิตของพระทหารไม่มีอย่างนี้มีได้ยังไงของเราเป็นยังไงเข้าใจทันทีอ๋อเป็นอย่างนี้เองมีลาที่ว่าผู้ใดเห็นทำผู้นั้นเห็นเราจะถาคต เห็นความจริงอันนี้ซึ่งเป็นเหมือนกันของเราชันใดของท่านฉันนั้นของท่านฉันใดของเราฉันนั้นนิพพานเที่ยงหรือไม่เที่ยงดูจิตของเราก็รู้ถามนิพพานมาเที่ยงไม่เที่ยงไปไหนดูจิตของเจ้าของนิพพานหรือไม่นิพพานดูที่จิตนี้นั่นเป็นชื่ออันหนึ่งต่างหากเมื่อตั้งหลักขึ้นมาคำว่านิพพานนั้นเป็นเงาเป็นชื่อของธรรมชาติที่เราทรงอยู่เวลานี้รู้อยู่เวลานี้ได้จากจิตที่บริสุทธ์ นี่คือตัวประธานแท้ดูตัวประธานแล้วสงสัยเงาไปหาอะไรนี่แหละลักความจริงแล้วธรรมะคาต้องสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทเป็นมัชฌิมาปฏิปทาอยู่เสมอมาตั้งแต่ครั้งคุธการสนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปไหนเพราะเหตุใดเพราะกิเลสทุกประเภทซึ่งเกิดภ า, ายในจิตใจหรือมีอยู่ภายในจิตใจของสว์โลกไม่มี กิเลสตัวใดจะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตามาเป็นอย่างอื่นพอที่จะเปลี่ยนแปลงมัชฌิมาปฏิปทาให้เป็นอย่างอื่นเพื่อให้ทันกับกิเลสประเภทนั้นๆกิเลสเหล่านี้ไม่เหนืออำนาจแห่งธรรมจึงไม่ต้องเปลี่ยนแปลงธรรมที่ทรงสอนแล้วนั้นเพราะทรงได้ผลมาแล้วจากปฏิปทาเหล่านี้จึงต้องนำปฏิปทาเหล่านี้มาปราบกิเลสเราถ้าหากว่าดำเนินตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนจริงแล้วสาตธรรมหรือมัชฌิมาปฏิปทานี้คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานเรา เต็มสัดเต็ม ส, ส, ส, ส่วนนั่นเองหาที่สงสัยไปไหนไม่มีเลยนอกจากจิตใจหรือการประพฤติปฏิบัติของเราจะเป็นรุ่มร้อนร้งๆสูงสูงต่ำต่ำ ไ, ไม่เป็นไปตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเท่านั้นจึงไม่สมหวังถ้าเราตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติตาม น, นี้แล้วมัชชิมาคือความเหมาะสมตลอดเวละเมื่อการประพฤติปฏิบัติเหมาะสมผลทําไมจะไม่เหมาะสมสมดุลการล่บต้องสมดุลผู้นี้แลผู้ที่จะรับ พระดกที่พระพุทธเจ้าประทานไว้แล้วพระพุทธเจ้าไม่เกิดขึ้นจากไหนเกิดขึ้นจากมัชชิมาปฏิปทานนี้เท่านั้นและสาวกทุกๆองค์อย่าว่าแต่เพียงพันสองร้อยห้าสิบองค์นี่เลยเป็นหมื่นๆั้งแสนนั่นล้านท่านสําเร็จมาจากมัชชิมานี้เท่านั้นไม่มีที่อื่นเป็นที่สําเร็จมรรผลนิพพานได้นอกจากมัชชิมาเป็นทางเดินเป็นเครื่องชาระสักก็เป็นเครื่องห ล, ล่อหลอมให้จิต ด, ดวงนั้นบริสุทธิ์เท่านั้นก็ให้เป็นที่มั่นใจในกา ร, รพูดปฏิบัติ <c oughs> และสถานที่ดังที่กล่าวมานี้เป็นที่เหมาะสม ตลอดมาเหมือนกันในป่าในเขาในที่สงัดวิเวกการขบการชั้นดังได้กล่าวมาเบื้องต้นว่าเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยเท่านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งดังที่เรามุ่งมั่นอยู่เวลานี้สิ่งที่เรามุ่งมั่นคือธรรมธรรมเป็นของสําคัญเหล่านี้เป็นสิ่งที่อาศัยยาได้ลืมเนื้อลืมตัวกับสิ่งอาศัยว่าเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตบวของของตัวขึ้นมาจะลืมอัดลืมธรรม สิ่งเหล่า น, นี้จะเหยียบย่าทำลายจิตใจลงไปโดยไม่รู้สึกตัวการเหยียบย่าทำลายจิตใจก็คือการเหยียบย่ำทำซึ่งจะเกิดขึ้นที่ใจนั่นแหละพากัน ร, ระมัดระวังเสมอ <c oughs> <c oughs> การฝึกปฏิบัติให้เล็งดูจิตอย่าดูที่อื่นที่เรศดูกับจิตแสดงออกที่จิตให้ว่าดีว่าชั่วไม่ว่าประเภทใดความโลภความโกรธความหลงราคาตันหาคิดมากคิดน้อยคิดขึ้นที่จิตเกิดขึ้นที่จิตเผารุนที่จิตไม่ได้เผาที่ไหนมัิมาปฏิบัติมีสติปัญญาเป็นสําคัญ ให้สอดส่องมองดูตลอดระยะเวลาซึ่งเรามีหน้าที่อันเดียวเท่านี้ขาบวชมาต่อยหมดแล้วติดบ้านการเรือนอะไรอาหารปัจจัยทั้งสี่ที่กล่าวมานี้ประชาชน ญ, ญาติโยมมีศรัทธาบริบูรณ์อยู่แล้วอยากจะสนับสนุนผู้ตั้งใจประพฤ่งปฏิบัติกําจัดกิเลสเพื่อได้บุญได้กุศลกับท่านเหล่านั้น <c oughs> ท่านเหล่านี้มีศรัทธาเป็นภูมิอยู่แล้วแม้ตนทำไม่ได้ก็พอใจที่จะสนับสนุนอา่าปฏิบัติลงปไปถ้าลูกศิษย์ศรัทธาเข้าสู่สงครามแล้วไม่ต้องทัวตา ไม่ได้ตายเพราะการต่อสู้กับกิเลสส่วนมากมีตะกี้เลสย่ํายีตีแหลกให้ตายทั้งนั้น่ะเราให้เห็นโทษแห่งการย่ายีตีแหลกของกิเลสจนถึงขั้นตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายอยู่นี่ไม่พบน้อยพบใหญ่ไม่หยุดไม่ถอยมาจนกระทั่งบงัณนี้ควรจะเห็นโทษในสิ่งนี้มากกว่าการที่จะต่อสู้กับกิเลสแล้วเป็นทุกข์ขึ้นมากลัวตายกลัวตายไม่ต้องกลัวขึ้นบนเวทีแล้วกลัวตายทําไมถ้ากลัวตายต่อยไม่ได้เดี๋ยวถูกคัาหน้าประทันทีมีแต่ความหวังชนะเท่านั้นอยู่เต็มหัวใจ นักต่อสู้ขึ้นบนเวทีแล้วมีแต่ความหวังชนะนี่เราขึ้นบนเวทีแล้วเพศของเราเป็นเพศนักรบไม่ใช่เพศนักหลบสู้จนกระทั่งถึงจุดขีดจุดแดงทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องสนับสนุนมีพร้อมแล้วอาหารปัจจัยจะกินให้ตายก็ได้ถ้าเราไม่เสียดายทมถ้าเห็นขี้ดีกว่าใช่ก็พงทะลุไม่รู้ตัวเล้นแซงอยู่เรนะื่อยเน่ะแซงอัดแซงทำท้องปากมันแซงอยู่เรื่อยหาเวลาว่างไม่มี เนื่้งจากเรื่องของกิเลสตันหะสําหับรจุเข้าเต็มเต็มเท่าไรยิ่งบรรจุเข้าไปบรรจุเข้าไปสุดท้ายก็ตาครอบนาศของกิเลสความอยากไม่มีเมืองพอท่านจึงว่าธร ร, ร, รมมาสกัดนัดกั้นไว้ว่ามัดอโคชเนมตนัตตัญูตาให้รู้จักประมาณนในการควบการขันอย่าลืมเนื้อรืมตัวในปัจจัยทั้งสซึ่งเป็นเครื่องอาศัยเท่านั้นสิ่งที่มุ่งหวังอย่างแรงกล้าคืออาจคือทำความเประเสริฐเลื่อนเลย อ, อยู่ที่ตรงนี้เอาสู้ลงไปจะตายด้วยการต่อสู้กับกิเลสก็เห็นสถิ ไม่เคยมีในศาสนาของพระพุทธเจ้านี่นักต่อสู้กับกิเลส จ, จนตายมีแต่กิเลสนั่นแหะตายแวะต่อสู้กันเข้าไปต่อสู้ไปยาพระพุทธเจ้ากบสลบปสามผลพระองค์ก็ไม่ตายสุดท้ายกิเลสตายไม่มีเหลือเลย่ะสาวกทั้งหลายได้รับคาําทมทุกข์ทรมานเพราะการต่อสู้กิเลสมาม า, มากเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยินว่าท่านตายสุดท้ายกิเลสตายกิเลสตายจึงได้ปรากฏเป็นผู้พิเศษวิสุทธิ์ขึ้นมาเพราะการต่อสู้นี่แหละ คุณค่าแห่งการต่อสู้ทําให้คนบริสุทธิ์พุโทโธขึ้นมาในใจทั้งหลวงเราเป็นลูกจิตตถาคตต้องถือเอายางยเยี่ยอย่า ง, ง, งของพระพุทธเจ้ามาดําเนินยาศักแต่ว่าก่าบพุทธังสนังกระฉามิใจลอยเมฆไปไหนหรือลงนรกเอเวจีไปไหนก็ไม่รู้ทำมังสังคังสนังกระฉามีว่าแต่ปากคิดแต่ใจแยบเดียวถูกกิเลสฉุดลากไปต้มสุนที่ไหนก็ไม่รู้วันหนึ่งวันหนึ่งหาเวลากินเจลคลองอัดคลองทําไม่มีและดำเนินไปนิดนิดหน่อยหอย ก็ว่าทุกว่าลำบากไปเสียซึ่งร้วนแร้ตั้งแต่เป็นกลมายาของกิเลสมันหลอกมันลวงเราไม่เข้าช่องอัดช่องทำเพราะจะผ่านอำนาจมันไปเสียได้มันจึงไม่ยอมให้ไปเนี่ยคำว่ามารมารคืออะไรกิเลสมารเป็นเบอร์หนึ่งในหัวใจของคนและสัตว์เฉพาะอย่างยิ่งในหัวใจของเราซึ่งเป็นนักปฏิบัติให้ทราบว่ามารคืออะไรก็คือกิเลสทุกประเภทไม่มีอะไรที่จะเป็นมารเท่ากิเลสให้เห็นที่ตรงนี้แล้วการต่อสู้กับกิเลส ยาออมกําลังยาออมแรเราไม่เคยเห็นกิเลสตัวใดตั้งแต่บคุคคลปฏิบัติมาเป็มพื้นทีิกําลังความสามารถจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ว่าเป็นตัวสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยนพอที่จะต่อสู้มันด้วยความเรียบร้อยอ่อนโยนสุภาพนอนทําก็ได้เดินทําก็ได้จิตเถอไปไหนมองไปไหนก็ได้อยู่สะดวกสบายกินให้มากนอนให้มากเหมือนกับหมูตัวหนึ่งกิเลสก็ตายไปด้วยตายไปด้วยเราไม่เคยเห็น ไม่ต่างกับดกันยังเต็มเหนียวเอามันไม่ตายให้เราตายสู้กันไปทรมานนอกจากนั้นยังทรมานทางกายด้วยเพราะกิเลสมันมีทางกายเป็นเครื่องส่งเสริมมันด้วยกินมากๆเข้าไปร <c oughs> ่างกายอ้วนพีดีเด่นขึ้นมากิเลสมันก็ตัวดีตัวเด่นขึ้นมาแล้เหยียบย่ำทำลายจิตใจลงไปโดยลําดับนี่เมื่อเป็นอย่างนั้นต้องตัดทอนทางร่างกายนอนมากมันทําให้มีกําลังมากและทับถมจิตใจกินมาก มันมีกําลังมากมันทับผมจิตใจการภาวนากล้าไม่ออกตัดอาหารลงไปพาตัดเรื่องการหลับการนอนลงไปตาต้มกระเดอมหลับจิตใจจะได้ภาวนาด้วยความสะดวกก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเวลาร่างกายมีกําลังน้อยลงไปลดลงไปลดลงไปจิตใจมีกําลังกล้าแข็งขึ้นทุกระยะเวลาที่เราก่กอความเพียรอยู่เราได้เห็นได้ชัดเมื่อเป็นอย่างนั้นถึงจะยากลํามาดเราก็ต้องทนเพราะทางไปสายนี้ ยากก็ไปง่ายก็ไปครุแล้วก็ไปเพราะทางไปอยู่นี่ทางเดินอยู่นี่นี่ทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ทางเดินอุบายวิธีเพื่อฆ่ากิเลสให้ตายอยู่ที่ตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องเลยทนทุกข์ทรมานตนเองทำไปเพราะเห็นผลอย่างนี้นี่หละการบูรพ์ปฏิบัติจึงต้องใช้อุบายหลายแงย่หลายทางไม่สักแต่ว่าเดินจงกรมแล้วก็เดินไปเฉยๆไม่ได้คำหนึงถึงเหตุถึงผลว่าได้ผลมากน้อยเทียงไรเดินสักแต่เป็นกิเลสใช่ไม่ได้ ต้องเอาให้จริงให้จังชติแนบอยู่กับจิตนี่แหละคือเป็นผู้รักาษาจิตสติเป็นสําคัญปัญญาเป็นผู้ใกล้ควรเหตุผลดีชั่วประการต่างๆสองอย่างนี้เป็นสําคัญวิริยะคือความเพียร น, นี่เป็นเครื่องสนับสนุนอุตสาหะพยายามความอดความทนความภวพอใจเป็นเครื่องสนับสนุนแต่ที่จะจดจ่อต่อเนื่องกันเพื่อการทำลายกิเลสแล้วชติปัญญาเป็นสําคัญมากเราไม่ เคเห็นอันใด ท, ท, ที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสติปัญญาในการตราบปรามกิเลสแ ม, แ ม, แม้ตั้งแต่ขั้นต้นๆสติปัญญาก็มีความจําเป็นอยู่เช่นนั้นจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายเอาลงไปค ำ, คำว่าวาระสุดท้ายคืออะไรถึงขั้นกิเลสละเอียดถึงขั้นธรรมละเอียดสติปัญญาต้องละเอียดไปตามกิเลสไม่อย่างนั้นไม่ทันกันใครจะว่ากิเลสมันโง่เมื่ อ, อไหร่กิเลสจอมฉลาดจึงได้ครองไตรภพนี้ สัตโลกเกิดตายอยู่นี่เพราะอำนาจของกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่เพราะอำนาจของอะไรถ้ากิเลสไม่แหลมคมเหนือกว่าสัตโลกใครจะไปเชื่อใครจะไปยอมจำนวนกับกิเลสพะก็ทราบแล้วว่ากิเลสเป็นไผ่เหตุใดจึงไม่ทราบในขณะที่มันกล่อม <c oughs> ก็เพราะอุบายของเราสติปรรัญญาของเราไม่ทันมันนั่นเองจึงต้องในยอมจำนวนมันไปโดยไม่รู้สึบตัว <c oughs> มีเวลาสติปัญญาเราผิดขึ้นมาผิดขึ้นมาทันกิเลสประเภทนี้แล้วก็ต่อไปก็ทันกิเลสประเภทนั้นเห็นโทษของกิเลสประเภทนี้ <c oughs> เห็นเล่ห์เหลี่ยมของกิเลสประเภทนี้แก้เล่ห์เหลี่ยมนี้ไปได้ แล้วแก้เรื่อยหลียมของกิเลสประเภทนั้นไปโดยลําดับละค่าไปโดยลำ ด, ดับด้วยเลื่อยไปเลื่อยไปจนกระทั่งถึงอาพู้ทำมันถึงเขี้ยตึงผลถึงอัดถึงทําฟาดขึ้นไปถึงมหาสติมหาปัญญาและเอาที่นี่นะคําว่ามหาสติมหาปัญญานะัหมายถึงว่าสติปัญญาอัตโนมัติหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่ตลอดเวลาไม่มีว่ายืนว่าเดินมานั่งว่านอนเว้นแต่ขณะหลับเท่านั้นนอกจากนั้นสติปัญญานี้จะต้องทํางานอยู่ตลอดเวลา จนถึงกับได้ยับยั้งเอาไว้ไม่งั้นจะเลยเถิดดังท่านกล่าวไว้ในธรรมธรรมสังโยชน์เบื้องบนว่าอุทธาจารความฟุง้งความฟุ้งซ่านหรือลำขาดอุทธาจารนี้หมายถึงความเพลินในงานของตัวเองไม่ใช่อุทธาจารภูาจา่แบบนิวรห้าซึ่งมีอยู่ในสามัญชนทั่วไปอุทธาจารนี้เป็นสังโยชน์เบื้องบนจะตัดได้ด้วยอาหารตรรมะเท่านั้นท่านผูด้ดำเนินอาหารมรรมจะ เป็นผู้ที่เพลิดเพลินในทำขั้นในทำข้อนี้จึงเรียกว่าอุทาจจะความเพลินเกินตัวก็ไม่ถูกหนาะนันถ้าหากว่าจะพูดเป็นการเตือนก็บอกว่าความเพลิดเกินความเพลิดเพลินเกินไปไม่ถูกหนาะงานแม้จะได้เพราะการกระทําก็จริงแต่การกระทํางานทั้งหลายนั้นย่อมมีการพักผ่อนเป็นธรรมดาพักผ่อนนอนหลับพักผ่อนรับทานอาหารแม้แต่รถวิ่งไปตามถนนต้องเติมน้ํามัน ไม่เติมไม่ได้นี่งานจะได้ผลจะได้เพราะการทํางานก็จริงแต่เมื่อทําไปจนหมดกําลังแล้วจะผลของงานจะได้มาจากไหนนีสติปัญญามหมุนตัวเป็นเกลียวตลอดเวลาไม่พักผ่อนหย่อนตัวบ้างเลยก็เหนื่อยจิตเหนื่อยเมื่อยล้าจึงต้องพักในวงสมาธิท่านบอกว่าให้เข้าพักสมาธิเสียให้จิตมีความสงบพอได้รับความสงบแล้วจิตมีกําลังออกพิจารณาเช่นเดียวกับคนที่ทํางานจน กินหน่วยเมื่อยล้าแล้วก็มาพักผ่อนนอนหลับจะรับทานอาหารให้สะดวกสบายถึงเวลาจะเสียไปอาหารการบริโภคเหล่านั้นจะเสียไปก็ตามแต่ได้กำลังขึ้นมาเพื่อการงานต่อไปอีกและเพิ่มผลแห่งงานขึ้นโดยลำดับไปอีกเพราะการพักผ่อนและการรับทานนั้นมีการพักผ่อนในทางสมาธิจะ <c oughs> เสียเวลาเวลาบ้างไม่เป็นไรเพราะกาลังชาร์จพลในา ง, งานชาร์จแบตเตอรี่ทางด้านจิตใจ ให้จิตมีความสงบในขณะที่ให้พักต้องพักจริงๆไม่ยุ่งกับสติปัญญาใดๆทั้งสิ้นให้พักสงบตัว <c oughs> พอออกจากการพักแล้วจิตจะมีกําลังวังชาสติปัญญาแหลมคมพิเลียดตัวนั้นแหละสติปัญญาประเภทที่เคยแก้พิเรตนี้แหละใส่เข้าไปขาดสะบั้นขาดสะบั้นเพราะกำลังสติปัญญามีมากเนื่องจากได้พักผ่อนอย่างสะดวกสบายแล้วนี่วิธีการดําเนินเมื่อถึงขั้นนี้แล้ว ความขี้เกียจขี้ค้านหายหน้าไปหมดนอกจากได้รั้งเอาไว้ทำนั้นเพราะเห็นอะไรความเห็นโทษก็ถึงใจนอนใจได้ยังไงความเห็นคุณก็ถึงใจเห็นโทษแทนกิเลสทุกประเภทเห็นอย่างถึงใจเห็นอย่างซึ้งเห็นอย่างน่าเกลียดน่าลาภเห็นอย่างน่ากลัวคนเราเมื่อกลัวแล้วอยู่ได้ยังไงที่ไหนจะเอาตัวรอดได้ต้องเพ่นที่ไหนเห็นว่าจะพ้นภัยต้องเพ่นไปที่นั่นนี่จิตก็เห็นจะพ้นภัยโดยวิธีไหนก็ต้อง โดดออกอืมพ้นภัยด้วยวิธีต่อสู้ ก, ก็ต่อสู้เหมือนที่ต่อสู้ด้วยปัญญาความเห็นคุณแห่งความพ้นทุกเพราะธรรมอัศจรรย์ที่ปรากฏอยู่ในใจโดยลำดับลำนาขึ้นมาแม้จะไม่ถึงขั้นอัศจรรย์เต็มภูมิก็ตามขึ้นชื่อว่าทําแล้วย่อมเป็นของแปลกของอัศจรรย์อยู่โดยลำดับภ า, า, ายในจิตใจนั้นแล้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่มีคุณค่าภ า, า, ายในใจอยู่แล้วและเป็นเครื่องสนับสนุนให้มีใจใจที่จะเพิ่มมากขึ้ปฏิบัติว่าให้พ้นเท่านั้นอื ไม่พ้นก็ให้ตายเท่านั้นคําว่าถอยมีไม่ได้แล้วนี่สติปัญญาอัตโนมัติเป็นอย่างนั้นในขัง้งพุทธการท่านว่ามหาสติ ม, ตมหาปัญญาคือหมุนตัวเป็นเปียลอยู่ตลอดเวลาอัตโนมัติไม่มีคําที่ว่าบังคับบัญชานอกจากรั้งเอาไว้เพราะจะเป็นอุทจักคือฟุ้งเกินไปเพลินกับการกลับงานการพิจารณาค้นคว้าจนเกินเนื้อเกินตัวแล้วไม่ได้ผลเท่าที่ควรจึงต้องให้พักผ่อนภ า, ายในสมาธิเสียเนะมืม่อ ม, มีกําลังแล้วพิจารณาค้นลงไป จนกระทั่งทะลุปุปลงไปหมดนี่อุทธาจารความฟุ้งของจิตมานะความถือความรู้ที่เต็มไปด้วยอวิชชานั่นเองมันจะเปีเป็นอะไรนี่เอาใมันถึงนั่นสิที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นของปลอมเมื่อไหร่มีอยู่กับนักปฏิบัติฝึกให้ได้จิตเป็นสิ่งที่ฝึกได้ฝึกไม่ได้พระพุทธเจ้าดีไม่ได้เป็นศาสนาเอกไม่ได้ล้วนแล้วต้องจะฝึกมาทั้งนั้นจิตเป็นสมบัติของเรา ไม่ใช่สมบัติของใครเราเป็นผู้รับผิดชอบภารกิจของเราเป็นก็เราตายก็เราสูข ก, ก็เราทุกข์ก็เรารับทั้งนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะปล่อยให้กิเลสอย่าจ้ำทำลายเจ้าของอยู่ตลอดไปสมควรนเหรอต้องเอาให้จริงให้จริงนักปฏิบัติอย่ามองอะไรยิ่งกว่าใจซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุมหาเหตุอยู่ที่นั่นโรงผิดงานของกิเลสประเภทต่างๆอยู่ที่นั่นแล้วในขณะเดียวกันโรงผิดอัดผิดธรรมก็อยู่ที่นั่น เอาแยกแยะทังเข้าไปจิตนี้เป็นตัวสําคัญมากเอาให้ถึงเหตุถึงผลเป็นจิตนี้เป็นเหมือนนักโทษทําเป็นเครื่องแก้ปลดเปลื่องกิเลสเป็นเจ้าอํานาจบังคับบัญชาจิตใจแก้ลงไปแก้ลงไปเมื่อแก้ลงไปได้มากน้อยจิตจะดิดขึ้นมาดิดขึ้นมาโดยลํำดับลาําดาจนกระทั่งแก้ได้หมดโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วนั่นแหละความหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่ด้วยความภาพความเพียร โดยวิธีการต่างๆนั้นก็เหมือนกันกันกนกบนักรบเมื่อได้ชัยชนะเต็มที่แล้วการรบพุ่งชิงชัยที่เป็นไปทั้งวันทั้งคืนนั้นก็ยุติกันลงมีจิตกับกิเลสทําปัญติปัญญากับกิเลสเมื่อได้ฟาดฟันหั่นแหลกกันลงไปจนกระทั่งไม่มีกิเลสตัวใดมาต่อก่อแล้วเรื่องความหมุนติ้วๆอยู่ด้วยสติปัญญานี้ก็หมดหน้าที่ไปเหลือแต่ความบริสุทธิ์ด้นวนล้วนเอาอยู่ไหนอยู่เธอะที่นี่ ไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่ยุ่งกับอดีตว่าเคยเป็นมาอย่างไรไม่ยุ่งอนาคตว่าจะไปเกิดเป็นอะไรต่อไปอีกปัจจุบันก็รู้เท่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในความรู้ความเป็นของตนต่างอันต่างจริงทุกสัตว์ทุกส่วนจิตก็จริงตามสิ์จริงในหลักธรรมชาติจริงในความประเสริฐของตนเมืองพออยู่ที่นี่พอหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างได้คลายไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วนั่นแลคือผลแห่งการประพฤติปฏิบัติ พระพุทธเจ้าก็ดีสาวกทั้งหลายก็ดีได้ทําดวงนี้ขึ้นมาประกาศทำสอนโลกนั้นได้มาด้วยภาคปฏิบัติและได้มาด้วยความขยันหมั่นเพียรเลิกความเป็นนักต่อสู้ไม่ใช่ได้มาด้วยความขี้เกียจขี้คลานความเห็นแก่ปากแก่ท้องความเห็นจะหลับแก่นอนขี้เกียจออดแอนั่นไม่ใช่ทางของผู้จะดําเนินตนเพื่อความพ้นทุกข์แต่เป็นทางของกิเลสที่จะสั่งสมฟืนไฟ้าขึ้นภายในจิตใจของตนโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนี่ท่านทั้งหลายมาจากที่ต่างๆ ในมาอบรมศึกษาอยู่ในสำนักนี้ผมก็มีความเมตตาสงสารถึงจะมากบ้างก็ทนเอาท่านองนั้นก็มีหัวใจอง์นี้ก็มีหัวใจเป็นผู้มุ่งมาเพื่ออัดเพื่อทำผมเองก็ได้คิดเทียบเทยงสุขสัดทุกส่วนแล้วกับหมู่กับเพื่อนเพราะเราเคยเป็นผู้น้อยมาแล้วไปสอบแสดงหาครูหาอาจารย์ที่ไหนที่ต้องกิจต้องใจเป็นเป็นผู้ศรี น, นาเคารพกราบไหว้เป็นที่ลงใจของเรานั้นมันหายากเมื่อไปถึงครูบาอาจารย์องใดที่เป็นที่ สนิทติดจมกับท่านดโดยความเชี่อกความสรัทจริงแล้วเราพอใจที่อยู่อยากให้ท่านเมตตาสงสารใจจะขาดออกจากฮัทไทยของเราขนาดนั้นทีนี้มูเพื่อนมาศึกษาอบรมก็เห็นใจอย่างนี้เหมือนกันถึงจะไม่ได้อยู่ก็ได้รับการอบรมทั่วการเั่วเวลาก็อย่างดีนีนะ่ขอให้คิดเห็นอัธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้นําไปพฤปฏิบัติอย่าท้อถอยอ่อนแอ สิ่งเหล่านี้เคยมีในหัวใจมาแล้วไม่เป็นของประเสริฐไม่เป็นของอศัศจรรย์นอกจากทํามันประเสริฐที่จะเกิดขึ้นจากความเพียรความหนักเอาเบาสู้เท่านั้นนี่วันนี้ได้อธิบายธรรมภ า, าคปฏิบัติให้ท่านทั้งหลายได้เข้าอกเข้าใจทางพระเป็นสําคัญเพราะเป็นจุดศูนย์กลางแห่งกิตใจประชาชนและเป็นผู้รักษ า, าศาสนาในวงภายในและมีหน้าที่เต็มเม็ดเต็มหน่วย เทศกับประกาศอย่างเด่นแล้วว่าเพศนี้เป็นเพศสมณะเป็นเพศที่บําเพ็อาธรรมโดยไถ่เดียวยังได้แสดงให้ท่านทั้งหลายได้เข้าอกเข้าใจหรือพิส ป, ปฏิบัติมนาศรธา ญ, ญาติโยมทั้งหลายจิตใจก็เหมือนกันกับพระต่างกันแต่ศักท์ว่าเพศเท่านั้นจิตใจไม่มีคำว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายมีความรักใคร่ชอบใจศรัทธาในศาสนาเช่นเดียวกัน การประพฤติปฏิบัติตนในคุณงามความดีทั้งหลายเป็นชี้มงคลแก่เราเช่นเดียวกับพระท่านประกอบหน้าที่การงานทางด้านธรรมะ ข, ของท่านเป็นชี้มงคลแก่ใจของท่านเรามาประกอบบำเพ็ญในคุณงามความดีทั้งหลายมีทานศีลภาวนาเป็นสําคัญก็เป็นชี้มงคลแก่จิตใจของเราใจเป็นสําคัญมากขอให้พยายามบํารุงใจใจเป็นหลักใหญ่ใจเป็นนักท่องเี่ยวดังที่ทนายจานทร์มั่นพันพูดหาความแย้งไม่ได้ จะท่องเที่ยวไปไหนก็ตามขอให้ท่องเที่ยวไปด้วยบุญด้วยกุศลด้วยคุณงามความดีเป็นเครื่องสนับสนุนเถิดคนเราจะเป็นที่เบาอกเบาใจเป็นที่สะดวกสบายเป็นสุ ข, ขะโตไปก็ดีไปก็เป็นสุขอยู่ก็เป็นสุขเกิดในภพใดชาติใดถ้ามีคุณงามความดีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจเป็นเครื่องบำรุงจิตใจสนับสนุนจิตใจเป็นเครื่องสเสวยของใจอยู่แล้วรู้สบายทั้งนั้นความดีจึงไม่ล้าสมัยถ้าใครพยายามตําเพ่น วารานี้เป็นวาระที่เหมาะสมมากสําหรับเราทุกท่านถักชีวิตหาไม่แล้วก็ต้องหยุดชะงักในงานทั้งหลายก้าวไม่ออกเพราะคนตายแล้วไม่มีงานทําไม่เป็นขณะนี้ยังมีชีวิตอยู่จะดิบเด้งขวันควายสิ่งใดก็ดิบเด้งเสียสมบัติภายในก็ให้มือสมบัติภายนอกก็ให้มีอยู่ก็เป็นสุขไปก็เป็นสุขขะการแสดงธรรมก็เห็นมาทักพวนจึงขอยุติเพียงเท่านี้